จเจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเงื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสราร์ที่16มกราคมพุทธศักราช2553เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาเสริมสร้าง พลังให้แก่ชีวิตจิตใจเพราะการมีชีวิตจิตใจที่มีพลังนั้นจะทำให้ชีวิตของเราดำเนินไปได้อย่างราบรื่นจะทำให้เราสามารถรเผชิญกับอุปสรรคเผชิญกับปัญหาต่างๆของชีวิตได้เป็นอย่าง สวัสดีภาพคือไม่มีความทุกข์ความวุ่นวายใจถ้าพวกเราไม่ให้ความสำคัญแก่การเสริมสร้างพลังจิตพลังใจใจของเราก็จะ air, อ่อนแออ่อนปวกเปียกเหมือนคนที่ไม่ได้ออกกำลังกายไม่มีกำลังวังชาที่จะทำอะไรให้สำเร็จ ร่่วงไปได้การมีพลังจิตหรือพลังใจนี่เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตที่ที่ปราศ จ, จากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงถ้าจิตใจอ่อนแอปัญหาต่างๆเรื่องราวต่างๆก็จะมาสร้าง ความทุกข์ความวุ่นวายใจให้ไม่รู้จักจบจากสิ้นแต่ถ้ามีพลังจิตพลังใจก็จะสามารถกําจัดเรื่องราวต่างๆปัญหาต่างๆไม่ให้เข้ามาเหยียบย่ำทำลายจิตใจได้ดังนั้นมีการมาวัดเพื่อมาปฏิบัติภารกิจของพุทธศาส น, นิกชนตามพระ ทำคำสอนของพพระพุทธเจ้าจึงเป็นสิ่งที่จาเป็นอย่างยิ่งต่อการดารงชีวิตที่สงบร่มเย็นเป็นสุขและเจริญก้าวหน้าถ้าเราไม่ให้ความสนใจต่อการเสริมสร้างพลังจิตพลังใจชีวิตของเราก็จะมีแต่ความทุกข์ความเศร้าหมองความวุ่นวายใจไม่รู้จักจบจากสิน้น ดังนั้นเราจึงควรให้ความสาคัญต่อการสร้างพลังจิตสร้างพลังใจมากกว่าการให้ความสาคัญต่อสิ่งอื่นๆ ท, ท, ทั้งหลายในโลกนี้เพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้นั้นไม่ใช่เป็นสาระสาคัญของชีวิตของวกเราสิ่งต่างๆทั้งหลายนี้ เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะพึ่งพาอาศัยได้อย่างแท้จริงและจะไม่อยู่กับเราไปได้ตลอดไม่เหมือนกับคุณธรรมความดีงามบุญกุศลที่เรามาเสริมมาสร้างกันที่จะเป็นสาระสำคัญแก่ชีวิตของเราที่จะอยู่กับเรา และที่จะปกป้องรักษาชีวิตจิตใจของเราให้แข้งแ่ปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งหลายได้ <c oughs> นี่คือสิ่งที่เราควรจะรู้จักแยกแยะสิ่งที่เป็นสาระและสิ่งที่ไม่เป็นสาระสิ่งที่จีรย์ถาวรและสิ่งที่ไม่จีรย์ถาวรชีวิตของเราก็มีอยู่สองส่วนด้วยกัน ส่วนที่ถาวรและส่วนที่ไม่ถาวรส่วนที่ถาวรก็คือจิตใจของพวกเราส่วนที่ไม่ถาวรก็คือร่างกายของพวกเราดังนั้นเราต้องรู้จักแยกแยะให้ถูกและปฏิบัติตามความเหมาะสมต่อทั้งสองส่วนของชีวิตเราส่วนที่ไม่ถาวรเช่นร่างกายเราก็ต้องดูแลไป แต่เราก็ต้องยอมรับกับความจริงว่ามันเป็นของชั่วคราวเราไม่มีทางที่จะดูแลรักษาให้มันดีไปได้ตลอดและเราไม่ควรทุ่มเทเวลาหรือเสียเวลากับการดูแลรักษาร่างกายนี้ให้ให้อยู่ไปได้ตลอดเพราะมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ส่วนอีกส่วนหนึ่งที่ เป็นส่วนที่ถาวรของชีวิตเราก็คือจิตใจของพวกเราส่วนนี้แหละที่เราควรที่จะทุ่มเทเวลามเวลาทุ่มเทชีวิตจิตใจของพวกเราดูแลรักษาให้ได้ให้ได้เจริญให้มีแต่ความสุขนี่คือเรื่องของการแยกแยะ การแยกแยะนี้เราเรียกว่าปัญญาความฉลาดซึ่งเกิดจากความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องนี้ต้องมาจากผู้รู้อย่างพระพุทธเจ้าเท่านั้นพวกเรานี้ยังขาดความเห็นที่ถูกต้องพวกเรายังมีมิจฉาทิฏฐิคือเห็นความมีความเห็นผิดเป็นชอบเห็นกองจากเป็นดอกบัว เห็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระเป็นสาระเห็นสิ่งที่ไม่จีรังถาวรจีรังถาวรไม่เห็นสิ่งที่จีรังถาวรเลยไม่ให้ความสําคัญต่อสิ่งที่จีรังถาวรและสิ่งที่จะให้ความสุขหรือความทุกข์แก่เรานี่คือเรื่องของ ของชีวิตของเราเป็นอย่างนี้เราจึงต้องอาศัยผู้รู้เช่นพระพุทธเจ้าเป็นผู้นําทางเป็นผู้สอนเป็นผู้บอกเราว่าเราควรจะทําอะไรร่างกายของเราท่านก็สอนว่าให้ดูแลตามอัตภาพให้มีปัจจัยสี่พอให้อยู่ได้ปลอดภัยจนถึงวาะที่สมควร อันสมควรที่เขาจะต้องจากไปเราไม่ต้องเสียเวลามากจนเกินไปเช่นอาหารก็รับประทานอาหารตามปกติตามธรรมดาไม่ต้องไปเสียเวลาหาเงินหาทองเพื่อหาซื้ออาหารราคาแพงๆมารับประทานเพราะเกิดความหลงว่าถ้าได้รับประทานอาหารแพงๆ หรือรับประทานยาที่มีราคาแพงๆแล้วจะรักษาชีวิตของตนให้อยู่ไปยาวนานได้แต่ความจริงแล้วชีวิตของเรานี้จะอยู่ยืนยาวนานหรือไม่นั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าอยู่ที่คุณธรรมในจิตใจถ้ามีคุณธรรมสูงก็จะสามารถดูแลรักษาร่างกายให้มีชีวิตอันยืนยาวนานได้ ถ้าไม่มีคุณธรรมแล้วก็จะไม่สามารถที่จะรักษาชีวิตให้ยืนยาวนานได้เช่นคนที่สูบบุหรี่ดื่มสุรายาเมาอย่างนี้มักจะมีอายุสั้นกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่ไม่ไม่ดื่มสุรายาเมาคนที่ไม่ดื่มสุราหรือไม่สูบบุหรี่ น, รรนี้เป็นคนที่มีคุณธรรม เป็นคนที่รู้จักว่าอะไรเป็นพิษเป็นภัยกับร่างกายอะไรเป็นประโยชน์กับร่างกายสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยเขาก็ไม่เอาเข้ามาสู่ร่างกายเอาแต่สิ่งที่มีคุณมีประโยชน์สำหรับร่างกายชีวิตคือร่างกายของเขาจึงมีอายุยืนยาวนานไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเรีย่ยเรียนีน่ก็ คือเรื่องของการดูแลร่างกายดูแลตามปกติท่านทรงสองนะให้ดูแลแบบมักน้อยสัมโดดให้มันไม่ต้องมากจนเกินไปให้มันพอดีกับความต้องการของร่างกายหรือบางเวลาถ้ามันไม่พอดีมันขาดบ้างก็ต้องทำใจมักน้อยยินดีตามมีตามเกิดเรียกว่าสัมโด ร, ร่างกายนี้ จะไม่เป็นปัญหาอะไรขาดบ้างขาดมือ้อกินมือ้อก็ยังอยู่ได้แต่ถ้าเราเอาร่างกายของเราไปใช้ในทางที่ไม่ชอบคือเอาไปเสพสุรายามเมาเอาไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆดึกๆดด่นๆขาดการพักผ่อนหลับนอนอย่างนี้เป็นการทำลาย ร่างกายมากกว่าการขาดอาหารบางมือบางเวลาแต่ถ้าเราดูแลรักษาให้ร่างกายได้พักผ่อนหลับนอนอย่างเต็มที่ได้มีเวลาออกกำลังกายแล้วก็มีสภาพจิตใจที่ดีคือไม่เครียดไม่วุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆร่างกายของเราก็จะ อยู่ไปได้อย่างยาวนานดังนั้นเราจึงไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องของร่างกายมากจนเกินไปเพราะว่าต่อให้เราทุ่มเทงเงินทองมากน้อยเพียงไรให้ดูแลรักษาร่างกายนี้ไปอยู่นานานมันก็ไปได้เพียงชั่วระยะของมันเท่านั้นเองเมื่อถึงเวลามันก็ต้องตายไป ส่วนที่เราควรจะดูแลให้มากเราก็เลยไม่ได้ดูแลก็คือดูแลจิตใจของเราให้มีกำลังให้มีพลังที่จะอยู่อย่างร่มเยินเป็นสุดดังนั้นเราจึงควรแบ่งเวลาให้กับการดูแลร่างกายกับจิตใจให้เหมาะสมต่อกัน ร่างกายเป็นสิ่งไม่จรังถาวรไม่ต้องไปดูแลมากจนเกินไปใจนี้เป็นสิ่งที่จีรังถาวรควรจะดูแลให้มากดูแลจนที่อยู่ในสภาพที่อยู่เหนือความทุกข์ความวุ่นวายต่างๆได้แล้วก็จะไม่ต้องดูแลอีกต่อไป พอเมื่อถึงขั้นนั้นแวจิตใจของเราจะดูแลตัวของเขาเองได้จิตใจของพวกเราตอนนี้เป็นเหมือนเด็กทารกที่เพิ่งคลอดออกมาจากท้องของแม่ยังต้องการการดูแลทานุบำรุงเลี้ยงดูให้เจริญเติบโตจนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เมื่อจิตใจโตเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้ว จิตใจก็ไม่ต้องมีการดูแลอีกต่อไปเช่นจิตใจของพระอาริยสงสาวกทั้งหลายจิตใจของพระพุทธเจ้าจิตใจของพาอาระอรหันตสาวกท่านเป็นจิตใจที่เติบโตเต็มที่แล้วเป็นที่พึ่งของตนเองได้แล้วไม่จาเป็นที่จะต้องมีใครมาคอยดูแลอีกต่อไป แต่จิตใจของพวกเรานี้ยังเป็นทารกอยู่เราจึงควรที่จะทุ่มเทเวลาที่เหลือจากการดูแลรักษาร่างกายมาสู่การดูแลรักษาใจดีกว่าอย่าถูกความหลงหรือกิเลสหลอกให้เราไปดูแลกิเลสเช่นการแสวงหาความสขต่างๆในโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกิน่นรสผุดถพไม่ว่าจะเป็นการซื้อของฟุ่มเฟือยทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นการซื้อของไม่จำเป็นทั้งหลายมาใช้สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการเสริมสร้างกิเลสซึ่งเป็นเหมือนเชื้อโรคของใจจะทำให้ใจนั้นมีโรคคือความทุกข์ความวุ่นวายใจ มากเพิ่มขึ้นไปนี่คือส่วนหนึ่งที่เราต้องระมัดระวังคืออย่าไปเสียเวลากับการสร้างโรคภัยไข้เจ็บให้กับจิตใจด้วยการทําตามความอยากตามความโลภที่ไม่จำเป็นต่อการดูแลรักษาร่างกายของเรานี่คือเรื่องที่พวกเราไม่ค่อยรู้กันทุกวันนี้เราอยู่กับการ สร้างความทุกข์ให้กับใจของพวกเราด้วยความอยากต่างๆอยากมีรูปเสียงกิ่นรสผภดเพอยากดื่มอยากรับประทานอยากดูอยากฟังไม่รู้จักจบจักสิ้นถ้าจะดื่มจะรับประทานก็ขอให้ดื่มเพื่อร่างกายหรือรับประทานเพื่อร่างกายเช่นร่างกายต้องการน้ำก็ดื่มแต่น้ำเปล่าก็ได้ ไม่จาเป็นต้องมีน้าที่มีรสมีกลิ่นเช่นเครื่องดื่มชนิดต่างๆถ้าเราเดื่ม เ, เครื่องเดื่มที่มีรสมีกลิ่นเหล่านี้ไม่ได้เป็นการดูแลรักษาร่างกายกลับเป็นโทษกับร่างกายด้วยซ้าไปถ้ารับประทานมากเกินไปสารต่างๆที่ผสมเข้าไปในเครื่องดื่มต่างๆนี่แหละที่เป็นตัวที่จะมาทําลาย ชีวิตร่างกายให้สั้นลงไปแต่ถ้าน้ำเปล่าๆน้ำบริสุทธิ์ที่ต้องที่ร่างกายต้องการนี้จะมีแต่ประโยชน์กับร่างกายไม่มีโทษกับร่างกายถ้าเราอยากจะรักษาร่างกายกับรักษาจิตใจเราก็ควรที่จะงดเครื่องดื่มต่ตางๆควรจะด่าควรจะดื่มแต่น้ำเปล่า เพราะถ้าดื่มน้ําที่มีรสชาติต่างๆมันก็จะเข้าไปทําลายร่างกายแล้วก็มันจะไปเสริมสร้างกิเลสคือเชื้อโรคของใจให้มีมากขึ้นไปทําให้ใจต้องทุกข์ทรมานมากขึ้นไป เ, นเช่นเราดื่มสุราสุรานี้ก็มีสารที่เป็นพิษเมื่อดื่มก็ไปในร่างกายแล้ว ก็จะทำให้อวัยวะของร่างกายชำรุดทุดโทรแล้วท่านยิ่งมากจนจนถึงที่ร่างกายรับไม่ได้อวัยวะก็จะต้องเสียไปชีวิตก็อาจจะต้องหมดไปนี่เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับร่างกายและในขนาดเดียวกันก็สร้างความทุกข์ให้แก่จิตใจเพราะเมื่อ ดื่มแล้วติดเป็นนิสัยก็ต้องดื่มอยู่ตลอดทุกวันวันไหนไม่ได้ดื่มก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมานี่คือการใช้เวลาให้หมดไปกับสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยกับจิตใจและร่างกายของเราแต่เราอาจจะคิดว่าเป็นความสุขกัน เวลาที่ได้ดื่มเครื่องดื่มที่เราชอบไม่ว่าจะเป็นน้ำชากาแฟเครื่องน้ำอัดลมต่างๆสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เป็นประโยชน์กับร่างกายหรือจิตใจมันเป็นโทษกับร่างกายและจิตใจเช่นเดียวกับการไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆมันก็เป็นโทษทั้งกับร่างกายและจิตใจร่างกายก็ต้องก็ต้องไป ไปนู่นมานี่เหนื่อยยากลําบากร่างกายก็ขาดการพักผ่อนถ้าเที่ยวมากจนเกินไปแล้วใจก็ต้องทุรนทุรายอยู่กับบ้านอยู่ไม่ติดบ้านอยู่กอยู่กับบ้านเฉยๆไม่ได้เวลาอยู่บ้านเฉยๆแล้วจะเกิดความรู้สึกเศร้าซ้อยหงอยเหงาว้าเหว่ ต้องออกไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆก็ต้องออกไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องเหนื่อยยากกับการหาเงินหาทองมาใช้จ่ายเพราะเวลาออกไปเที่ยวข้างนอกก็มีค่าใช้จ่ายที่จะต้องที่จะต้องเสียที่จะต้องจ่ายถ้าไม่มีเงินขึ้นมาก็จะลาบากก็เลยต้อง ทุ่มเทเวลากับการทำมาหากินหาเงินหาทองร่างกายก็จะต้องเหนื่อยกับการทำมาหากินแล้วก็ต้องมาเหนื่อยกับการเที่ยวตามสถานที่ต่างๆถ้าทำอย่างนี้ร่างกายก็จะขาดเวลาพักผ่อนขาดการออกกำลังกายแล้วก็จะทําให้ร่างกายนี้ชํารุดสุดโทร มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนและจะทำให้ชีวิตร่างกายนี้สั้นลงไปเรื่อยๆอายุจะอยู่ไม่ได้ยืนยาวนานเหมือนกับคนที่ไม่เสียเวลากับการใช้ร่างกายนี้ไปหาเงินหาทองใช้ร่างกายนี้ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆใช้เงินใช้ทองไปซื้อสิ่งต่างๆมา ทำลายร่างกายนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะลดละกันตัดกันอย่าไปเสียเวลากับเรื่องราวเหล่านี้ควรจะเอาเวลานี้มาเสริมสร้างจิตใจกันดีกว่าถ้ามีเงินเหลือมากก็เอาเงินไปทำบุญเอาไปช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้เพราะจะทำให้ใจนี้ มีความจเจริญก้าวหน้ามีกําลังมากขึ้นไปเพราะการทำบุญนี้เป็นการชำละกิเลสคือความตนีชำละกิเลสคือความโลภชำละกิเลสคือความหวงให้เบาบางจากจิตจากใจไปก็จะทำให้ใจนิม มีโรคภัยไข้เจ็บน้อยลงไปจะทาให้ใจมีกำลังมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นมีความอิ่มมีความพอมากขึ้นแล้วถ้าเราเอาเวลามาปฏิบัติธรรมมารักษาศีลใจของเรายิ่งจะมีกำลังมากขึ้นใหญ่เพราะกำลังของใจอยู่ที่การขัดเกลากิเลส ต่างๆให้เบาบางลงไปขัดเกลการกระทำที่มีชอบไม่ดีทั้งหลายเช่นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการลักทรัพย์การประพฤติผิดประเวณีการพูดปดการเสพสุรายาเมาการเที่ยวกลางคืนการเล่นการพนันเป็นการกระทำที่ไม่ดีเป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจจะทาให้จิตใจอ่อนแอ ไม่มีกำลังจิตกำลังใจที่จะเผชิญกับปัญหาต่างๆที่จะตามมาถ้าเราสามารถละการกระทําที่ไม่ดีเหล่านี้ได้ใจของเราก็จะมีพลังเพิ่มมากขึ้นเพราะจะมีความสงบเพิ่มมากขึ้นนั่นเองแล้วถ้าเราปฏิบัติทาทําจิตใจให้สงบได้ก็ยิ่งจะทําให้ใจมีกำลังมีพลังมากขึ้นใหญ่ มีพลังที่จะต่อสู้กับความโลภความโกรธความหลงที่เป็นตัวสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจต่างๆให้แก่จิตใจของเราแล้วถ้าเราได้เจริญปัญญาได้พิจารณาให้เห็นว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เป็นสิ่งที่เราไม่ควรยึดติดเพราะจะทำให้เราเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าเรา สามารถที่จะปล่อยวางสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ได้ปัญหาต่างๆก็ก็จะไม่มีเข้ามาสู่ภายในใจของเราเพราะปัญหาต่างๆหรือความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆนี้เกิดจากความหลงของเราที่ไปเอาเรื่องต่างๆเข้ามา <c oughs> มาเป็นปัญหาให้กับเรานั่นเองถ้าเราปล่อยวางได้เรื่องต่างๆก็จะไม่เป็นปัญหา แต่ถ้าเราปล่อยวางไม่ได้เรายังอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยู่พอเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราอยากให้เขาเป็นเราก็จะวุ่นวายใจเราก็จะทุกข์เราก็จะเศร้าโศกเสียใจนี่คือการมาเสริมสร้างพลังให้แก่จิตใจเพื่อให้เรา มีกำลังที่จะปล่อยที่จะตัดสิ่งต่างๆไม่ให้เข้ามาเหยียบย่ำมาเบียดเบียนจิตใจของพวกเราถ้าพวกเราไม่ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามคําสอนแล้วเราก็จะถูกความหลงนี้หลอกให้เราไปกว้านเอาความทุกข์ต่างๆเข้ามาอยู่อย่างต่อเนื่อง และเราก็จะต้องอยู่กับความทุกข์ความวุ่นวายใจไปอย่างไม่รู้จักจบจากสิ้นอย่างที่พวกเราเป็นกันอยู่ทุกวันนี้พวกเรากำลังถูกความหลงหลอกให้ไปกว้านเอาความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆเข้ามาเช่น <c oughs> ความยินดีในลาบยศเสริญสุขนี่แหละเป็นเป็นการกว้านเอา ความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆเข้ามาถ้าเราต้องการมีเงินมีทองเราก็จะต้องมีความทุกข์กับเรื่องเงินเรื่องทองทุกข์กับการแสวงหาทุกข์กับการดูแลรักษาแล้วก็ทุกข์กับการสูญเสียถ้าเราอยู่แบบไม่ต้องอาศัยเงินทองได้หรืออาศัยไม่มากอาศัยเท่าที่จําเป็น เราก็จะมีความทุกข์ความวุ่นวายใจน้อยมากหรือไม่มีเลยก็ได้ถ้าเรารู้จักปล่อยวางถ้าเรารู้จักยอมรับว่าไม่มีก็ไม่มีมีก็ใช้เท่าที่จําเป็นเท่านั้นถ้าอย่างนี้แล้วปัญหาเรื่องเงินทองก็จะไม่มีกับเราแต่ถ้าเราอาศัยเงินทองเป็นสาระเป็นที่พึ่ง ต้องหาเงินหาทองมามากๆเพื่อจะได้ไปซื้อความสุขต่างๆมาบำรุงบำเรอเราก็จะกว้านเอาแต่ความทุกข์เข้ามาเพราะการหาเงินหาทองนี้ก็ไม่ใช่เป็นเหมือนกับรองน้ำฝนฝนนี่เวลารองน้ำฝนนี่มันง่ายเวลาฝนตกเราก็หาถังมารองเท่านั้นเองแต่เงินทองมันไม่เป็นเหมือนน้ำฝน เงินทองนี้กว่าจะหามาได้สักบาทหนึ่งก็ต้องก็ต้องทางานอย่างเหนื่อยยากกว่าจะได้มาเมื่อได้มาแล้วเราก็ต้องมาเหนื่อยยากกับการดูแลรักษาเหนื่อยยากกับการใช้มันอีกเวลาไปเที่ยวนี้ไม่ใช่ไม่เหนื่อยนะออกไปเที่ยวข้างนอกนี้ถึงแม้จะสนุกสนานอย่างไรแต่ถ้าเที่ยวมากมาก็ก็เที่ยวไปไม่ไหวเหมือนกัน ก็ต้องกลับมาบ้านหลับนอนเนี่แหละคือเป็นการกว้านเอาความทุกข์ก้านเอาความวุ่นวายใจมาให้กับเราถ้าเรามีความโลภในลาบยศสารเสริญสุขถ้าเรายังต้องการลาบต้องการยศต้องการสารเสรินต้องการความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายเราก็จะ มีความทุกข์ความวุ่นวายใจมาเป็นเป็นของแถมด้ว ย, เ, ยเราได้ความสุขจากการได้ราบยศสรรเสริญสุขแล้วในขณะเดียวกันเราก็ได้ความทุกข์ความวุ่นวายใจมาด้ว ย, น, ยนี่เป็นเรื่องของความหลงที่หลอกเราชีวิตของเราจึงเป็นอย่างที่เราเป็นอยู่กันทุกวันนี้มีความ วุ่นวายใจไม่รู้จักจบจากสิ้นวุ่นวายกับการอยากได้สิ่งต่างๆวุ่นวายกับการดูแลรักษาวุ่นวายกับการสูญเสียถ้าเราไม่ไปมีสิ่งเหล่านี้หรือไม่อยากได้สิ่งเหล่านี้แล้วเราก็จะไม่มีความวุ่นวายใจเราจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายเพราะใจนี้ไม่มี ความจำเป็นที่จะต้องมีสิ่งเหล่านี้มาบำรุนบำเลอนั่นเองใจต้องการความสงบเท่านั้นใจต้องการความไม่มีความไม่มีความโลภไม่มีความอยากเพราะเมื่อไม่มีความโลภไม่มีความอยากใจก็จะไม่วุ่นวายใจก็จะสงบเมื่อสงบแล้วก็จะเกิดความอิ่มเกิดความพอขึ้นมาในใจ ทำให้อยู่ในบ้านได้อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้อยู่เฉยๆก็อยู่ได้ไม่มีอะไรดูก็ไม่เดือดร้อนไม่มีอะไรฟังก็ไม่เดือดร้อนไม่มีเครื่องดื่มรสชาติชนิดต่างๆมาดื่มมารับมาดื่มไม่มีขนมต่างๆมารับประทานก็จะไม่เดือดร้อนอะไรจะอยู่ได้อย่างสุขอย่างสบายและจะอยู่ไปอย่างปลอดภัยมีชีวิต ทียืนยาวนานเพราะเราไม่ได้ป้อนสิ่งที่เป็นพิษต่างๆให้แก่ร่างกายและเราไม่ได้สร้างอารมณ์เครียดเพื่อที่จะมากัดกรรรร่างกายให้มีอายุสั้นลงไปความเครียดความวุ่นวายใจนี่แหละเป็นเหตุหนึ่งที่ทําให้ร่างกายนี้มีชีวิตสั้นลงไปในเมื่อเราได้ ทำจิตใจของเราให้สงบแล้วเราก็จะตัดความเครียดที่จะมาทำให้ชีวิตของเราสราั้นลงไปได้แล้วถ้าเราไม่เอาสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยต่างๆให้กับร่างกายทำไมร่างกายของเราจะอยู่ไปอย่างยาวนานไม่ได้ต้องอยู่ได้เช่นพระปฏิบัติทั้งหลายส่วนใหญ่ท่านจะมีอายุเกิน80ขึ้นไปกันทั้งนั้น ส่วนการาวาสญาิโยนี้มีชีวิตที่ไม่ยาวนานบางคนก็ตายตั้งแต่อายุไม่กี่ขวบเป็นหนุ่มเป็นสาวเกิดความคลุบขนองไปขี่มอเตอร์ไซค์ก็เกิดอุบัติเหตุชนกันตายตายกันตั้งแต่ยังอายุยาววัยหรือมีมีอายุมากขึ้นก็ดื่มสุรายามาแล้วก็ไปขับรถชนกันตายเรื่องราวเหล่านี้มันเกิดจากการใช้ ชีวิตไม่ถูกต้องเท่า น, นั้นเองดำเนินชีวิตไปตามความหลงสแสวงหาแต่ลาบยศสสรเสริญสุขโดยไม่คำนึงถึงผลเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของตอนเองทั้งร่างกายและจิตใจถ้าเราไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาไม่ได้พบกับพระพุทธเจา้าพบกับพระอริยสงสารกไม่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคาสอนเราจะไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้ แล้วเราก็จะถูกความหลงหลอกให้เราดาเนินชีวิตไปสู่ความหายนณะไปสู่ความวุ่นวายไปสู่ความทุกข์ดังนั้นจึงขอให้พวกเราทั้งหลายจงเห็นคุณค่าเห็นความสำคัญต่อการศึกษาต่อการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุธเจา้าเพราะจะเป็นวิธีที่จะทำให้เรามีชีวิตนุ่มเย็นเป็นสุข และยืนยาวนานได้อย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาเสริมสร้างพลังจิตเสริมสร้างพลังใจนี้ให้ท่านได้นําไปพิิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้